กรรมก็คือการกระทาของเราจะเป็นผู้ที่ลิขิตอนาคตของเราว่าจะเป็นอย่างไรจะไปสูงหรือไปต่าจะหยุดหรือจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันนี้และการปฏิบัติของเราจะเกิดขึ้นในอนาคตได้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 ขั้นต้นเราก็จะรักษาศีล5้าเมื่อเรารักษาศีล5้าได้เราก็จะสามารถรักษาศีล8ต่อไปได้เมื่อเรารักษาศีล8ได้เราก็จะไปปรกวิเวกได้ไปเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้เมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้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 ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เรายังรักษาศีลแปดไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นรักษาศีลแปดกันไปลรวต่อไปอนาคตเราก็จะรักษาศีลแปดได้ถ้าเราปรีกวิเวอยังไม่ได้ตอนนี้เราก็มาพยายามหาเวลาปีกวิเวกันเพื่อมาเจริญสติกันเพื่อที่เราจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้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 เอาบาตไปล้างช่วยกันทําความสะอาดศาลาทาภารกิจอะไรต่างๆที่จำเป็นด้วยสติไม่คุยกันไม่มีสงจิตไปที่อื่นให้จิตอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่หรือให้บริการพุทโธพุทธพุทโธกากับไปกับการทำงานเพื่อจะได้ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้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 หรือเรากําลังตัดพบตัดชาติถ้าเรากําลังทําตามความอยากทําตามกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตัปพะทาําตามภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วก็กระทําตามความอยากนั้น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 เพราะเวลาตายก็เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเวลาตายไปก็ไม่มีทรัพ์สมบัติติดตัวไปงั้นอย่าไปหนีความจนหนีความอยากถ้ามันต้องจนก็อยู่ความจนไปถ้าอยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แบบคนจนพระอาลันตัสาวกท่านก็อยู่แบบคนจนเพราะท่านไม่หนีความจน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 ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเราจะได้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำกิจที่ตัดพบตัดชาติหรือเรากำลังทำกิจที่ต่อก่อพบก่ อ, กอชาติถ้าเราไม่อยู่ในปัจจุบันเราจะไม่รู้สึกตัวถ้าเราคิดถึงอดีตคิดถึงวนาคตในขณะที่ในปัจจุบันเรากำลังทำตามความอยากเราก็จะไม่รู้สึกตัว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 เป็นไปในทิศทางใดถ้าเป็นไปในทิศทางที่เกาะพบเก่อชาติเราก็หยุดมันได้ถ้าเป็นทางที่ไปเกาะไปไปสู่การยุติการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ทํามันเพิ่มขึ้นไปให้มากขึ้นทําทานแล้วเราก็รักษาศีลรักษาศีนห้าแล้วเราก็รักษาศีลแปรักษาศินแปดแล้วเราก็ไปวิเว้ไปเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ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 ให้มีอนาคตอีกต่อไปจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพาอาาระอรหันต์นี้จึงเป็นจิตปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอนาคตเพราะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสงบมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บะมังสุญญ์ความว่างของจิตใจว่างจากความอยากต่างๆนั่นเองก็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 อิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเเอุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธามณิโจติราโสยะธาสัพพิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพโรควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะ อภิวาทานาีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมาวะาทานติอายุวนโนสุขังภาลาังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมข้อใด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 ก็อยู่ในอียิุตรไหนก็ไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรมควรจะทำยังไงดีครับควรจะลดน้ำหนักก่อน <laughs> ควรกินข้าวให้น้อ ย, อยลดสัก5าหรือ1ิบกิโลก่อนแล้วก็จะเดินสะดวกนั่งสะดวกแต่อย่านอนสมาธิเพราะถ้านอนสมาธิมันจะนอนหลับมากกว่าตอนนี้ลองไปหัด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 จะสะดวกท่านอนเพียงท่าเดียวนะมีอีกไหมมีล่ะขอขอขอเป็นปัญหานะอย่าอย่าเป็นการเทศให้ฟังไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์ผบทนะข้าตัวปัญหาเลยคือพระอาจารย์ก็จากที่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 แล้วก็ปัญญาคอยดึงเอาไว้เพราะว่าถ้าดึงไม่อยู่เนี่ยหมายถึงว่านรกกับสวรรค์ทีนี้เนี่ยลักษณะที่ที่เห็นที่พูดเนี่ยมันเป็นการดึงเอ า, เอาที่เรียกว่าภระห้ามาปฏิบัติจริงๆใช่ไหมเลกขณะที่เรากำลังดึงสู้อยู่กับใช้ศรัทธาประคองประคองสติให้อยู่ตรงนี้เนี่ย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 หลวงตาแล้วรู้สึกว่ากิเลสหายไปหมดเลยท่านก็ตอบว่าอีตอแหลอนั่นแหละคือการทดสอบอารมณ์กระจายมาการสอบอารมณ์นี้เขาจะไม่บอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะสอบอารมณ์นะถ้าเราบอกล่วงหน้าเราก็ตั้งการไว้รับและเตรียมตัวรู้แล้วว่าท่านพูดอะไรท่านก็ไม่ได้หมไม่ได้เอาจริงเอาจังเอแต่ถ้า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 ขำได้ไหมคะคือมันขำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าอถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ก็เสียเวลาปเปล่าๆ marks. แต่ก็เป็นเรื่องปกติบางทีบางเรื่องพูดไปมันก็เกิดความกบขันขึ้นมาได้ก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังก็แล้วกันเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมา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 จากการปสบการณ์ตอาจารย์ค่ะพอดีดิฉันนั่งอยู่ปรากฏล้ดิฉันนั่งอยู่แล้วคันนี้มีลมตรงเนี้ยเขาวิ่งตามตามตามลงมาเรื่อยๆตามร่างกายอะค่ะนี่คืออะไรอ่ะค่ะคล้ายเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆอะคะอ่ะมันก็เป็นปรากฏการณ์นหนึ่งที่เรารับรู้ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักเหมือนกันคื อ, อให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราอย่าไปมีตัณหาความอยากกับมัน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 จะจางผู้จัดการมาสักคนหนึ่งยอมเสียค่าใช้ใจ่ายหน่อยเพื่อเราจะได้มีเวลาไปเปรกวิเวกได้เราคิดถ้าเราคิดว่าตายไปเราก็เอาสมบัติไปไม่ได้เังนั้นเรายอมเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกสักเล็กน้อยเพื่อแลกกับเวลามีค่าของเราเพื่อที่เราจะได้ไปทาภารกิจที่สําคัญกว่าภารกิจที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันภารกิจของเราในปัจจุบันนี้มันเป็นของชั่วคราวตายไปมันก็หมด แต่ภารกิจที่เราจะไปปิกวิเวกนี้มันเป็นของถาวรมันจะติดไปกับเราต่อไปให้เราชั่งน้ําหนักว่าอันไหนมีความสําคัญต่อกันบริษัทเราก็ยังให้ปล่อยดําเนินการได้โดยการจ้างคนมาทําหน้าที่แทนเราไปเพื่อเราจะได้มีเวลาไปปิกวิเวกได้รหรือท่าดีก็ยกให้ภรรยาไปเลย ภรรยาจะมาปิดเวกด้วยครับก็ก <i> ็ขายบริษัต์ไปเลยต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสละราชสมบัติใช่ไหมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าจะเป็นราชถ้าจะเป็นพระราชกุมารด้วยแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งครัำถามข้อที่สองนะครับพอดีเวลาจะสอนลูกหลานเรื่องต่างๆหรือว่า พลงานเนี่ยครับปติปัจจุบันจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรือว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่านี่ครับเราจะบอกเขาได้ไงได้บ้างครับคือเราต้องรู้ว่าคนที่ยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ น, นี่ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนจะสอนคนตาบอดอย่างไรว่าสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงคนก็เพียงแต่บอกเขาเท่านั้นเอง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 แล้วมันก็จะกลับเข้าข้างในได้กลาบขอพระคุณครับกาบนมัสการครับน้อมกลาบหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าค่ะลูกมีการมีจะสอบถามเรื่องผลของการปฏิบัติเจ้าค่ ะ, ะนั่งสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งอะคับมันมันเกิดทุกขเวทนาคือปวด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 ไม่ควรที่จะทำอย่างอื่นควรจะมีสติอยู่วัาการขับรถเป็นหลักเจ้าค่ะเพราะตอนหลังก็คือเวลาขับรถก็ไม่กล้าฟังธรรมะยาวๆเลยเจ้าค่ะออย่างนี้ผลของการปฏิบัติของลูกพอที่จะเริ่มก้าวบ้างหรือยังเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดีแสดงว่าเราฟังธรรมได้ผลแต่เราควรจะฟังธรรมด้วยการนั่งเฉยๆเช่นเวลาก่อนจะเราเราจะนั่งสมาธิเราก็นั่งแล้วเปิดฟังธรรมไปก็ได้ หรือเวลาอื่นก็ได้เวลาที่เราไม่มีภารกิจที่จะต้องทํางานการอะไรต่างๆเจเราก็เปิดธรรมะฟังไปลูกชอบฟังธรรมเจ้าค่ะหลวงพ่อเวลาฟังธรรมนี่มันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเลยใช่ธรรมะจะดึงใจให้เข้าข้างในได้เจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ่าปัญหาหมดแล้วใช่ไหมก็เวลาก็คิดว่าพอสมควร ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ